วิญญาณเฮียนหายาดผีปอกสองสัมผัสสยองหลังจากที่ครูวันวิสาได้พบว่ามาเรียมมีส่วนเกี่ยวข้องกับวิญญาณผีปอกที่เข้าไปทำร้ายคนในหมู่บ้านครูวันวิสาก็พยายามติดตามว่ามาเรียมย้ายไปอยู่ที่ไหน แต่ก็ไม่มีวี่แววที่จะพบมาเรียมได้เลยจนเวลาผ่านไปหลายสิบปีครูวันวิสาก็กเกษียณและได้ไปเยี่ยมลูกชายที่จังหวัดสกลนครแล้วครูวันวิสาก็ต้องพบกับเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันแบบไม่ทันตั้งตัวถ้าใครยังไม่ได้ฟังเรื่องราวหน้าขนลุกทั้งหมดก่อนหน้านี้ก็สามารถย้อนกลับไปฟังเรื่องวิญญาณเฮียนทาญาิผีปอบได้ ส่วนใครที่ได้รับฟังเรื่องราวก่อนหน้านั้นมาแล้วก็มารับฟังเรื่องราวกันต่อได้เลยครับขณะที่ครูวันวิสากําลังนั่งพักผ่อนอยู่ตรงมานั่งใกล้กับต้นไม้ใหญ่บริเวณหน้าบ้านครูก็หวนคิดถึงเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในชีวิตเกือบ30ปีแล้วที่ครูวันวิสาคอยติดตามข่าวคราวของมาเรียมสิทธิรักที่หายเงียบไป วันเวลาผ่านไปยางรวดเร็วหรือเกินตอนนี้ครูวันวิสาได้กเกษียณอายุราชการแล้วครูจึงมีเวลาเดินทางไปเยี่ยมลูกชายที่แต่งงานและไปสร้างครอบครัวกับภรรยาที่จังหวัดสกลนครลูกชายของครูวันวิสากาลังมีลูกเหล็กๆอายุได้สองเดือนกว่าหน้าตาน่ารักน่าชังครูวันวิสาเหือหลานคนนี้มากเพราะเป็นหลานคนแรก จึงถือโอกาสนี้มาเยี่ยมลูกชายและช่วยเลี้ยงหลานสักเดือนสองเดือนจากนั้นครูวันวิสาจึงจะกลับไปดูแลสามีต่อที่จังหวัดอุทัยธานีวันนี้ครูวันวิสาหนึกอยากจะไปทําบุญที่วัดเพราะเพิ่งมาถึงหมู่บ้านที่ลูกชายพักอยู่จึงบอกลูกชายให้เตรียมของไปถวายเพนที่วัดด้วยตอนนั้นแม่ใหญ่แม่ของภรรยาลูกชาย ได้ทำแกงหมูป่าและทอดปลานิลเตรียมไว้เป็นอาหารแม่ยายก็เลยแบ่งอาหารส่วนหนึ่งให้ไปทำบุญหลังจากหาดอกไม้ทูปเทียนได้แล้วลูกชายก็ขับรถไปส่งครูวันวิสาที่วัดซึ่งวัดนี้อยู่ห่างจากบ้านประมาณหนึ่งกิโลเมตรพอถึงวัดลูกชายก็บอกว่าจะต้องไปทำงานต่อ ถ้าครูวันวิสาทำบุญเสร็จแล้วก็ให้โทรศัพท์ไปบอกลูกชายก็จะมารับเธอกลับไปที่บ้านครูวันวิสาไม่อยากรบกวนเวลาทำงานของลูกจึงบอกไปว่าจะเดินกลับบ้านเองไม่ต้องเป็นห่วงหลังจากที่นำดอกไม้ทูปเทียนไปกราบพระพุทธรูปในโบสถ์แล้วครูวันวิสาก็หิ้วปินโตใส่อาหารไปถวายพระ เจ้าวาดถามสารทุกสุขดิบและสนทนากับครูวันวิสาอยู่นานคงเห็นว่าครูวันวิสาเป็นคนต่างถิน่นจึงชวนคุยเพื่อให้สบายใจและผ่อนคลายความคิดถึงบ้านหลังจากนั้นครูวันวิสาก็ขออนุญาตลา ก, กลับครูตั้งใจว่าจะค่อยๆเดินตามถนนกลับบ้านครูวันวิสาเห็นว่าเป็นระยะทางที่ไม่ไกลมา จึงถือโอกาสนี้เดินออกกำลังกายและชมบ้านเมืองดูความเป็นอยู่ของผู้คนในภาคอีสานด้วยก่อนจะเดินออกไปจากวัดครูวันวิสามองเห็นว่าวัดนี้ดูร่มรื่นสะอาดและกว้างขวางจึงคิดว่าจะเดินชมวัดสักครู่วัดนี้เป็นวัดป่าสิ่งก่อสร้างจึงไม่ใหญ่โตมโหรานเหมือนกับวัดอื่น โบสถ์และวิหารส่วนใหญ่ทําจากไม้ดูท่าทางจะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีมานานแล้วครูวันวิสาเดินชมบริเวณรอบๆวัดก็เห็นกุฏิของพระสงฆ์อยู่หลายหลังเมื่อเดินตามถนนมุ่งหน้าตรงมาทางด้านหลังของวัดก็พบลานโลง่งมีศาลารายและกำแพงวัดครูวันวิสาสะดุดตา ที่เห็นผู้หญิงนุ่งขาวห่มขาวคล้ายแม่ชีเกือบสิบคนกำลังช่วยกันทำอะไรสักอย่างอยู่ไกลๆคล้ายกับว่ากำลังทำอาหารกันอยู่เพราะเห็นมีควันลอยมาจากกระทะใบใหญ่แต่ละคนสารวนกับการเตรียมอาหารกันอย่างวุ่นวายครูวันวิสาสนใจแม่ชีเหล่านั้นมาเพราะครั้งหนึ่งเคยนึกไว้ว่า ถ้าครูวันวิาสาเกษียณอายุราชการแล้วก็อยากบวชหาความสงบในบั้นปลายของชีวิตขณะที่ครูวันวิสากําลังเพลิดเพลินในการชมอยู่นั้นก็ได้ยินเสียงเรียบเรียบเยน็ยนเย็นดังมาจากข้างหลังว่าครูวันวิสาใช่ไหมคะพอครูวันวิสาหันไปดูก็พบแม่ชีรูปหนึ่งเธอยืนยิ้มอยู่แม่ชีคนนี้ อายุประมาณ40ปีเสร็จีเศษเมื่อกูวันวิสาเพ่งพินิจด์อยู่แล้วก็ต้องตกตะลึงอย่างไม่เชื่อสายตาตนเองแล้วจึงพูดได้น้ำเสียงตื่นเต้นว่ามาเรียมแม่ชีคือมาเรียมใช่ไหมแม่ชีรูปนั้นพยักหน้าพร้อมกับพูดว่าฉันคือมาเรียมเองจ้ะคุณครูดีใจเหลือเกินที่ได้พบครูอีกครั้ง ครูวันวิสาก็บอกว่าครูก็คิดถึงแม่ชีมาเรียมและเป็นห่วงมากทำไมไม่ส่งข่าวมาให้ครูทราบเลยว่าไปอยู่ที่ไหนเป็นอย่างไรบ้างมาเรียมพูดด้วยน้ำเสียงราบเรียบแต่มีแววตาสำนึกผิดมาเรียมได้กล่าววา่าขอโทษครูวันวิสาและบอกเหตุผลว่าตนเองไม่กล้าไปพบครูเพราะได้ทำความผิดไว้อย่างมหัน แล้วมาเรียมก็เชิญครูวันวิสาให้มานั่งที่มานั่งข้างๆศาล า, ารายพร้อมทั้งเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นในช่วงที่เธอหายไปทั้งหมดให้ครูวันวิสาฟังว่าต้นตระกูลของมาเรียมมีเชื้อผีปอบและจะเลี้ยงผีปอบมารุ่นต่อรุ่นยายปุยยายของมาเรียมก็เป็นทายาทของผีปอบเช่นกันยายจะต้องเลี้ยงวิญญาณของผีปอบ คอยหาข้าวหาอาหารให้ผีปอบกินหากวันไหนผีปอบหิวมาผีปอบจะออกไปสิงร่างคนที่มีจิตอ่อนหรือกำลังป่วยเป็นไข้ไม่สบายคอยกินตับไตไส้พุงจนคนคนนั้นตายลงถ้าหากผีปอบตัวนั้นถูกกำจัดไปยายปูซึ่งเป็นทายาทผีปอบก็จะกลายเป็นผีปอบรุ่นต่อไปส่วนคนที่จะต้องเลี้ยงดูผีปอบยายปูก็คือมาเรียม แต่ยายปูอยากจะตัดขาดจากวิญญาณผีปอบโดยการไม่เลี้ยงดูผีปอบอีกต่อไปจึงทำให้วิญญาณผีปอบโกรธแค้นเมื่อผีปอบถูกหมอทำไล่ออกจากร่างของคนป่วยผีปอบก็จะบอกเสมอว่าตนคือยายปูเพื่อให้ชาวบ้านหวาดกลัวและโกรธแค้นจนรวมตัวกันขับไล่ยายปูกลับมาเรียมออกจากหมู่บ้านอย่างที่ครูวันวิสา ก็เคยอยู่ในเหตุการณ์นั้นมาแล้วต่อมาผีปอบตอนนั้นได้ถูกค่าท้าคมของหมอทมคนปราบผีปอบทำให้วิญญาณผีปอบตอนนั้นถูกกำจัดไปยายปูจึงกลายเป็นผีปอบในเวลาต่อมาด้วยที่ยายปูรักมาเรียมมากไม่อยากให้มาเรียมต้องตกเป็นทาญาตคนต่อไปยายปูจึงหนีออกจากบ้าน แต่มาเรียมก็รักยายปูมากเช่นกันจึงตามยายปู ก, กลับมาอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมยายปูที่มีวิญญาณผีปอบอยู่ในตัวก็คอยไปขโมยอาหารข่าวของชาวบ้านในหมู่บ้านกินไม่นานยายปู ก, ก็ตายไปมาเรียมซึ่งเป็นทายาทผีปอบรุ่นต่อไปก็ต้องทาหน้าที่เลี้ยงผีปอบคอยหาอาหารให้แต่ถ้าผีปอกินไม่อิ่ม ผีปอบก็จะไปสิงร่างคนเจ็บป่วยเพื่อกินข้างในจนคนป่วยนั้นตายไปตอนไหนที่ผีปอบถูกหมอผีขับไล่หรือถูกจับขังมาเรียมก็จะต้องไปช่วยให้ผีปอบบ อ, อกมาเพราะถ้าช่วยไม่ได้มาเรียมก็จะได้เป็นผีปอบตัวต่อไปนี่คือเหตุผลที่มาเรียมแอบไปขุดไข่ที่ครูวันวิสากับนางงอนฝังเอาไว้แล้วเธอ จึงรีบออกจากหมู่บ้านเพราะกลัวว่าหากก็ศสอยู่ในหมู่บ้านเดียวกันสักวันผีปอบอาจทำร้ายครูวันวิสาหรือคนในครอบครัวครูก็เป็นได้ครูวันวิสาน้ำตาซึมเมื่อได้รับรู้ถึงความลำบากของมาเรียมแล้วก็ถามมาเรียมต่อว่าแล้วมาเรียมมาบวชเป็นแม่ชีได้ไงมาเรียมเล่าต่อว่า หลังจากช่วยผีปอบออกมาจากไข่ได้แล้วมาเรียมก็ขึ้นรถประจำทางหนีมาอยู่จังหวัดสกลนครทุกวันมาเรียมก็จะมีหน้าที่หาอาหารขาวมาให้ผีปอบกินแต่ระยะหลังผีปอบหิวมากขึ้นวันไหนผีปอบหิวก็จะออกเข้าสิงชาวบ้านกินตับไตไส้พุงจนร่างที่สิ่งนั้นตายไปหลายคน ชาวบ้านที่นั่นวาดพวากับผีปอบมากเพอะตกกลางคืนก็จะเข้านอนไม่มีใครกล้าออกไปไหนผีปอบเมื่อได้กินร่างของชาวบ้านก็มีพลังอำนาจแกร่งกล้าขึ้นสามารถออกหากินเวลากลางวันได้ทำให้ชาวบ้านตายกันเป็นจำนวนมากวันหนึ่งมีพระธุดงรูปหนึ่งท่านคงพอจะมีคาถาคมอยู่บ้าง ก็ได้ทำตะกรุดแจกชาวบ้านให้แขวนคอป้องกันผีปอบซึ่งได้ผลเกินคาผีปอบไม่สามารถทำอะไรชาวบ้านได้มาเรียมเองก็ต้องหาอาหารมาให้ผีปอบกินซึ่งนับวันจะกินมากขึ้นจนมาเรียมอ่อนเพลียร่างกายผอมเหลือแต่กระดูกชาวบ้านจึงลือกันว่ามาเรียมเป็นปอบทำให้ไม่มีใครจ้างมาเรียมไปทางาน มาเรียมจึงต้องอยู่อย่างอดๆอยากๆส่วนผีปอบตนนั้นนับวันยิ่งแกร่งกล้าออกอารวาดมากขึ้นบางครั้งคนต่างถิ่นจากหมู่บ้านอื่นขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาในหมู่บ้านผีร้ายก็จะกระโดดชนให้ล้มแล้วถ้าคนนั้นจิตอ่อนหรือกําลังป่วยอยู่มันก็จะเข้าสิงร่างกินข้างในจนตายเดือดร้อนหมอทาคนปราบผีปอบ ต้องมาทำพิธีขับไล่ผีปอบออกไปบางครั้งผีปอบไม่ยอมหมอกหมอทาก็จะต้องใช้ไม้หวายลงอาคมเขียดตีจนมันยอมหมอหรือบางครั้งก็ต้องใช้ไม้หนีบขีดเหมือนไม้ปิ้งไก่ที่ส่วนท้ายจะมีเชือกสองสามเซนผูกกับหัวแม่เท้าของคนป่วยแล้วท่องคาถาอาคมมัดร่างผีปอบไว้จนมันยอมหมอก วันหนึ่งผีปอบโดนหมอทําใช้เชือกผูกร่างและจะนำไปทวงน้ำมาเรียมซึ่งดูเหตุการ์อยู่เห็นดังนั้นก็พยายามจะเข้าไปช่วยผีปอบที่ผ่านมามาเรียมไม่ยอมแต่งงานและมีลูกด้วยที่รู้ดีว่าถ้ามาเรียมมีลูกลูกของมาเรียมจะต้องเป็นทาญาต์ผีปอบและคอยหาอาหารเลี้ยงดูผีปอบต่อไปเรื่อย ดังนั้นถ้ามาเรียมช่วยผีปอบตนนี้ไม่ได้เธอจะกลายเป็นผีปอบตัวต่อไปซึ่งปอบตัวนี้จะไม่มีทายาทคอยเลี้ยงข้าวปลาอาหารมันจะต้องหิวโซมาและจะ อ, อกอารวาสทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนล้มตายไปอีกหลายคนดังนั้นมาเรียมจึงต้องเข้าไปช่วยวิญญาณผีปอบนี้ให้ได้ ขณะที่มาเรียมกำลังจะเข้าไปช่วยผีปอบจากหมอรรมก็มีมือของคนคนหนึ่งมาฉุดมาเรียมไว้จนเซธลากลับมาลม้มลงที่เดิมมาเรียมยังไม่ทันลุกขึ้นก็ได้ยินเสียงภาครูปหนึ่งกล่าวว่าอย่าช่วยวิญ ญ, ญาณผีปอบเลยจงปล่อยให้เป็นไปตามกรรมเถอะนะส่วนโยมเดี๋ยวอาตมาจะทำที่ดีตัดสัมพันธ์กับวิ ญ, ญญาณชั่วนั้นให้ วิญญาณผีปอบก็จะยุดติไม่มีทายาทอีกต่อไปหลังจากนั้นมาเรียมก็มาทําพิธีที่วัดแห่งนี้เพื่อป้องกันไม่ให้มาเรียมเป็นผีปอบเธอจึงต้องบวชฉีและอยู่ในเขตพัทธสีมาในวัดอีกหนึ่งเดือนแต่พอมาเรียมได้บวชชีก็เกิดดวงตาเห็นธรรมจึงตัดสินใจบวชเป็นแม่ชีตลอดชีวิต มาเรียมบอกครูวันวิสาว่าตอนนี้มาเรียมพบหนทางสงบสุขแล้วครูวันวิสาก้มลงกราบแม่ชีมาเรียมและกล่าวคำว่าสาธุสาธุแล้วลาจากไปครูวันวิสาเดินกลับบ้านได้ใบหน้าที่อิ่มเอมใจที่ได้พบลูกศิษย์ที่เธอเฝ้าห่วงใยมาตลอดตอนนี้ มาเรียมได้บวชเป็นแม่ชีที่พบหนทางสว่างสะอาดและสงบแล้วครูวันวิสาคิดว่าอีกไม่นานเธอเองก็จะดำเนินรอยตามคำสอนของพระพุทธองค์ไปบวชเป็นชีบ้างเช่นกัน สัมผัสสย